ขอความสุขความเจริญจะมีดท่านสาธรชนทั้งหลายประสูตรในวันนี้จะได้พูดเรื่องชานุสุนีสูตรเป็นการสนทนาแลกเปลี่ยนการระวังชานุสุนีพราหมณ์กับพระพุทธเจ้าแล้วก็พระอนุทมีข้อความโดยสรุปว่า ท่นานาญุโสนีพราหมณ์ได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็ทรงประลบความรู้สึกของพวกพราหมณ์หรือความเชื่อของพวกรรพราหมณ์บวกพราหมณ์ยกย่องพวกพราหมณ์ที่มีประกอบด้วยวิชาสามนั้นวิชาสามนั้นเป็นยังไงแท่านุโสนีพราหมณ์ก็กราบทูลว่า วิยาสามที่เป็นที่ยกย่องในพวกพรามนั้นก็คือหนึ่งพรามคนนั้นจะต้องมีรูปร่างลักษณะจริงงดงามสองเป็นอุปโตสุ ช, ชาติคือเกิดดีแล้วทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายมารดาและฝ่ายบิดาเรียกว่าเป็นพวกพรามพวกพรามมณีที่สืบต่อกันมาถึงเจ็ดชั่วคนไม่ถูกทวงติง ไม่ก็เกินเมื่อประรบถึงเชื้อสายวงศ์กุลแล้วก็แตกฉานในกัมพีพระเวทเวทางการศรกษาอิทิหาสาอะไรตรออะไรที่เป็นกัมพีของพระซึงแทรกว่าท่านหลายนึกออกพระสูตรในแนวนี้เคยปรากฏในที่กนิกาย แต่ตอนนั้นปรากฏว่าท่านตอบว่ามีห้าคือไปเพิ่มศีลกับเพิ่มปัญญาเข้าไปแต่เมื่อบุรุษเจ้ารับสั่งว่าถ้าจะตัดรักข้อได้ไม้สองข้อได้ไหม้สามข้อได้ไม้สีข้อได้ไม้นี่อาจารย์ก็ตอบว่าคือตัดรูป ง, งามออกได้ ตัดอุปโตสุชาติคือเกิดดีแล้วทั้งฝ่ายบัรดาวฝ่ายมิดาออกได้แล้วก็ตัดการแตกฉานในใจเพศไปทางกระสานออกได้แต่ว่าศีลกับปัญญานั้นตัดไม่ได้หมาวามว่าถ้าขาดศีลขาดปัญญาก็ไม่จะเป็นพรามแต่ชา น, นุสนณีรามกลับมาถามกลับมากราบทูลพระเจ้าเพียงเพียงสามข้อ แ, แต่วถระมองประวัติในความเป็นมาของท่านชานุสโณอีกทีหนึ่งท่านชานุสนีความรู้ในเรื่องพราหมณ์เองไม่ค่อยเก่งเท่าไรและความสนใจของท่านเองก็ไม่ค่อยลึกท่านเคยมากราบทูลถามปัญหากระพุทธเจ้าเรื่องการดับบุญฤทธิ์กุศลส่งไปให้แก่ผู้ตายว่าใครจะได้รับอย่างไงหรือไม่ได้รับอย่างไง ตอนนั้นเจ้า ก, ก็ส่งแสดงในรูปเขาเรียกว่าฐานะอะาถรนะหมายความว่าอยู่ในฐานะที่จะรับเป็นรูปอาหารได้หรือไม่แตส่งแสดงว่าการทําบุญอุทิศกุศลในรูปของอาหารแล้วก็ผู้ที่จากไปจะรับในรูปของอาหารก็มีพวกเดียวคือพวกปรัตถูปชีวีเปรตคือเปรตที่อาศัยการดารงชีวิตด้วย อาหารที่คนอื่นก็ทำบุญมุทิตกุศลส่งไปให้ถ้านอกนั้นจะไม่ได้รับในรูปอาหารแต่จะได้รับในรูปของอายุวัฒนาสุขประยศกำลังอะไรต่างๆก็แล้วแต่ซึ่งพอมาถึงตรงนี้อีกเราจะเห็นว่าท่านก็ตอบซึ่งดูแล้วไม่น่าเชื่อความเป็นวิ ช, ชานะ นอกจากข้อที่สามคือรูปงามมันก็ไม่ใช่เรื่องวิชาหรือว่าเกิดในสกุลที่มารดาปิดาเป็นพราหมณ์ในการทั้งสองฝ่ายมันก็ไม่น่าจะเป็นวิชาแต่ท่านก็เสนอว่าเป็นวิชาเดรกตาการแตกฉานในคัมภีร์ประเวทเวททางกษัตรย์คือตหรับตําราที่มีการศึกษากันในสมัยนั้ น, น, นก็ฟังได้นะฮะว่าเป็นวิชา แล้วพระเจ้าก็รับสั่งให้ท่านท่น ท, น, ทนท่านท่านมองเทียบเคียงดูก ว, วิชาสามในกติความเชื่อของพราหมณ์กับวิชาสามในอริยวินัยทรงใช้คําว่าอริยวินัยเรียกะพุทธศาสนาว่าอริยวินัยเฉพาะในพระสูตรนี้นะฮะวิอยากจะให้ตั้งข้อสังเกตเอาไว้ ว่าคำเหล่านี้เป็นคำที่ใช้แทนกันโดยโชคปลายเดือนนี้ไม่ไม่ไม่ทราบมีอะไรเมื่อเช้านี้ก่อนจะก่อนจะออกกำลังจะออกวานี่ก็โทรมาจากอยุทยาเพื่อให้ไปบรรยายออครึ่งเดือนนี้ตั้งตั้งตั้งแต่วันที่สิบเก้าไปนะจนสิ้นเดือนเนี่ยจะออกต่าง จ, ออจังหวัดเยอะเลย แล้วก็ติดต่องานด่วนมาทางนั้นติดต่อโทรศัพท์จองตัวทางโทรศพัพท์ทางนั้นก็เกิดสงสัยเป็นเรื่องอะไรกันทำไมมาเร่งเอาปลายปีงบประมาณแสดงว่าโครงการศาสนาคงหาทางจ่ายงบประมาณให้หมดหรื อ, อยังไงไม่ทราบนะมาเร่งเอาตรงนี้แต่ที่น่าสังเกตหัวข้อเนี่ยหัวข้อว่าหลักพระพุทธศาสนาให้ไปรบรรยายในหัวข้อเนี้ย เป็นหลักแล้วก็หน้าที่เจ้าคณะประสังขาธติการในใจหลายๆเรื่องแต่หัวข้อนี้มีเยอะหลายจังหวัดก็ยังไม่ค่อยเข้าใจ่าไรนะฮะว่าเจตนารมจริงๆนั่นคืออะไรทำไมมาเร่งรัดเอาตรงนี้เยอะเหลือเกินซึ่งหลักของพุทธศาสนาจริงๆเราก็น่าจะทำความเข้าใจนะฮะเพราะว่า นี่ตรงนี้เรียกว่าอริยวินัย ซ, ซึ่งเราจะไม่คุ้นเลยคําว่าอริยวินัยบางทีเราพบคําว่าพุทธศาสนาบางทีพบคําว่าพระสัทธรรมบางทีพบคำว่าป่าพฤษบางทีพบคําว่าอมรุต ธ, ธรรมบางทีพบคำว่าธรรมะแล้วก็มีคําอื่นๆ น, นะฮะเช่นพวกสัตว์ศาสตร์นวังกัสัตวศาสตร์ะอะไรๆเยอะแยะไปหมดคําเหล่านี้ที่จริงโดยความหมายแล้วเป็นเรื่องเดียวกัน แต่เป็นการยักย้ายเรียกไปให้สอดคล้องกับพื้นฐานของคนฟังที่พูดไปแล้วคนตรงเนี้ยเขาเข้าใจอะดีอะไรก็ได้ไม่สาคัญแต่พูดไปแล้วให้เขาเกิดความเข้าใจเพราะงั้นอริยวินัยจึงเป็นชื่อของพระพุทธศาสนาด้วยกรหมายถึงพระธรรมวินัยหมายถึงพระพุทธศาสนานั่นเอง แล้วก็รับสั่งเล่าถึงเรื่องของของพระยานสามวิชาสามนะฮะวิชาสาก็ว่าบุคคลผู้สงัดจากอากุศลธรรมสงัดจากนิวรสงัดจากอากุศลธรรมจิตเข้าถึงวิเวกมีความสงบเป็นสมาธิตั้งมั่นไม่หวั่นไหว ก็เป็นสภาพจิตสภาพจิตทีป่ปฏิบัติพัฒนามาเลยเราเจะเห็นว่าเป็นการแสดงทั้งในเชิงเหตุเชิงผลวิชาสามในข้อนี้ก็คือวิชาที่เราที่เราคุ้นๆ น, นะนะแต่วิธีอธิบายตรงนี้เป็นที่น่าสังเกตว่าทรงอธิบายตั้งแต่ขั้นตอนพัฒนาการทางจิตมาก่อนจะเกิดเป็นตัววิชาหรือก่อนจะเกิดเป็นตัวอย่างขึ้นมาเนี่ย เม่มีการปฏิบัติจนจิตใจสงัดจากอังกุศลละธรรมสงัดจากติวรก็เป็นสูตรนะฮะเป็นสูตรที่เราสวดสวดได้ยินสวดสวดกันอยู่เนี่ยมาปรากฏในพวกพวกอริยมรรคเพียงแปดประการกร น, นีเป็นสภาพจิตในสมาสมาชิหมายความว่าจิตใจของบุคคลนั้นจะต้องสงบ จากอากุศลสงบจากนิวรณ์ทั้งหลายมายความว่าถ้าใจยังมีอกุศลยังมีนิวรณ์อยู่เนี่ยตัววิชาหรือความรู้มันเกิดขึ้นไม่ได้ตรงนี้ท่านทั้งหลายจะเห็นได้ชัดเลยว่ากระโดดแยกตัวออกมาเลยจากความคิดของพรามของพรามนั้นจะไปผูกพันกับวันนะผูกพันกับวันณะพรามหมายความว่า วิชาสามในพวกพรามก็มีได้เฉพาะพวกพราม์พวกะอื่นมีไม่ได้แต่ของพระพุทธศาสนาไม่ได้ว่าอย่างนั้นหมายความว่าใครก็ได้ใครก็ได้ที่ประพฤติปฏิบัติมาจ น, จนจิตใจสงัดจากอากุศลและธรรมสงัดจากนิวรณ์มีความวิเวก ค, คือสงบเป็นเอกคตาคือจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวเป็นสมาธิ แต่อย่างนั้นสรุปประคาทั้งหมด ท, ท, ที่ใช้เนี่ยมันเป็นสภาพจิตของสมาธิย่างในกรณีของวิเวเกแปลว่าความสงัดเนี่ยก็จะเรียงไว้เป็นสามระดับระดัแแบแรกเรียกว่ากายวิเวกคือสงัดกายตรงนี้ที่จริงก็แยกเป็นสองระดับใหญ่ๆนะระดับแรกก็คือว่าการแยกตัวออกไปปลีตัวออกไป อยู่ในสถานที่ที่สงัดเงียบจากเสียงรบกวนเช่นถ้ำเช่นป่าเช่นภูเขาเช่นคนต้นไม้อะไรอะไรเนี่ยอีกอย่างหนึ่งก็คือกายที่สงัดจากอากุศลอาการของอกุศลคือไม่กระทำทุจริตทางกายกระทำวาจาก็ได้แก่มีศีลนะฮะสงัดระดับศีล แล้วก็จิตวิเวก ค, คือจิตที่มันสงัดจิตที่สงบหมายความว่าในขณะนั้นจิตใจของเราไม่มีอกุศลเกิดขึ้นกลุ่มรุ่มใจถ้ามีมันก็มีอยู่ระดับล่างนะฮะไม่ได้เกิดขึ้นกลุ่มรุมใจเป็นความสงบระดับสมาธิระดับฌานบนสมาธิลุชนญที่จริงกิเลสยังมีอยู่เพียงแต่ว่า เป็นกิเลส ท, ที่ตกตะกอนคือสงบอยู่ภายในลึกๆถ้าไม่มีอะไรมากระตุ้นแรงๆกิเลสก็ไม่เกิดขึ้นแต่เวลาถูกกระตุ้นก็เกิดนะฮะถูกกระตุ้นแรงๆก็เกิ ด, ดโดยเฉพาะอารมณ์ที่ยั่วให้รักกระรัวให้ชังเราเย็นว่าพวกฤษีที่ตบ่าแตกก็ด้วยรักด้วยชังเท่านั้นแหละมีสองเรื่องคือทําให้โกรธจัดๆก็ตบ่าแตก ยั่ให้รักมากๆก็ตะบาดแต ก, กหมายความว่า ก, กามฉันกับพยาบาทมันฟูขึ้นมาแต่สงบไว้ไม่ได้อีกแนวหนึ่งก็เรียกอุปธิวิเวก ค, คือสงดจากกิเลสเอาจริงๆก็หมายความว่า ก, ก็ตัดกิเลสได้ เป็นคุณสมบัติของพระอาราหันต์ที่ท่านเรียกว่าหักกรรมแห่งสังสารรัชเป็นผู้ไกลจากกิเลสเป็นผู้ไม่ทำบาปนะเป็นผู้ควรไหวควรบูชามันก็อยู่ในโครงสร้างเดียวกันก็ทรงแสดงว่าจิตใจตั้งมั่นเป็นสมาธิไม่หวั่นไหวไม่มีกิเลสปราศจากกิเลสเป็นจิตอ่อนมีความพร้อมที่จะน้อมไปเพื่อให้เกิดความรู้ ถึงชีวิตในชาติกรกตในปางกรกตเพราะภาพจิตตรงนี้เป็นเรื่องใหญ่แลนะความมจิตจะต้องผ่านสมาธิตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไม่มีกิเลสปราศจากกิเลสและปราศจากกิเลสต้องสงบลึกๆด้วยนะฮะต้องสงบไปเกือบหมดแล้วกิเลสต้องเกือบหมดไปแล้วมันจิตมีความพร้อมมันใช้คำกรรมนิยะคือจิตใช้งานได้ สามารถน้อมไปเพื่อหาคําตอบในเรื่องปัญหาของสังสารวัตรที่สัตว์โลกทั้งหลายคิดกันมาตลอดตลอดนะฮะตลอดอายุโลกเนี่ยเราเป็นใครเรามาจากไหนเราเคยเกิดมาหรือไม่หรือว่าเราไม่เคยเกิดถ้าเราเกิดเราเกิดเป็นอะไรแล้วเกิดที่ไหนมีความสุขความทุกข์อย่างไรมีใครเกิดร่วงระบาบ้างอุปสารพัดเลยรกรดเราจะถามนะฮะ แล้วก็ตายจากนั้นแล้วไปเกิดในชาติไหนมีสุขวิทุกยังไงมันมันมันมีแต่คําถามตลอดตรงนี้มันก็พยายามศึกษาค้นคว้ากันมาแต่ใครก็หาคําตอบยังไม่ได้หาข้ อ, อยุติที่ไม่ได้พอเมื่อพัฒนาจิตมาถึงจุดนี้จิตมันพร้อมแล้วก็น้อมไปและในที่สุดมันค่อยๆสว่างขึ้นค่อยสว่างขึ้นร ะ, น ล, ะลึกได้หนึ่งชาติสองชาติสามชา ต, ชาติสี่ชาติก็ทยอยไปเรื่อยๆค่ายกระแสแสงสว่างที่มันเดินโนจุดไฟกันมาแล้วแสงสว่างมันก็ขยายออกไป ก็เดินทางไปก็จัดความมืดไปเรื่อยๆมันก็เห็นไกลไปเรื่อยๆแต่ว่าแสงมันก็ดูเร็วกันนะฮะดูเร็วที่จริงมันก็ขจัดไปไปโดยลําดับจนจุดที่ระลึกได้นั้นหาที่สิ้นสุดไม่ได้เป็นสังวัตกับวัตตกับสังวัตววัตตะกับอะไรเรียกเยอะๆสังขยานี่การนับตัวเลขเนี่ยในโลกนี้ไม่มีใครนับยอดเยี่ยมเท่ากับอินเดียนะนับจนไม่รู้จะนับยังไงดี เป็นอสังขยะอสังขยะอสงไข่นะฮะไม่มีที่สิ้นสุดโกรธปฏิโกรธปฏิปฏิโกรธคือหมายความมาสิบสิบสิสิบอซ้อนขึ้นไปเรื่อยๆเรากเลยก็เขียนไม่ตัวเลขก็เขียนยากก็ไม่เคยเห็นท่านเขียนเป็นตัวเลขนะเขียนเป็นตัวเป็นตัวหนังสือคงจะเขียนยากกับมันานยากยาวยาวมากก็สรุปว่า ตรงนี้ก็คือการอนลึกชาติได้ก็ทําให้ได้ความรู้และทรงใช้คาในตอนสุดท้ายนี่เหมือนกันนั่นสามแผงว่าวิชาเกิดขึ้นอวิชชาดับไปแสงสว่างเกิดขึ้นความมืดหายไปก็ทําให้รู้ความจริงในสังสารวัตรว่าชีวิตแต่และชีวิตนั้นผ่านการเกิดมาในสังสารวัตรเป็นนั้นมาก แต่ว่าจากการสั้งเกตเนี่ยว่าพระพุทธเจ้าจะรู้ทั้งของพระองค์เองแล้วก็ของคนอื่นแต่ท่านเราอื่นก็ยังไม่พบนะฮะว่าท่านเล่าอดีตชาติของของคนอื่นแต่ว่าถ้าจะประลบก็ประลบอดีตชาติตัวเองเมื่อวานไปไประชุมมิจฉาวาทมหาธาตุสองวันนะนะแบบพิปรายปัญหากัน ต่มีวิทยากรเป็นผู้กับพระตอมากังข้าวไปพอดีแล้วก็คงจะจบพอดีทวงติ่งพระที่ทำบุญวันเกิดชาวบ้านก็ทวงติ่งว่าพระตักบาทได้หรือทำไมพระจะต้องตักบาทพระเป็นปฏิกาหกคือผู้รับทำไมจะต้องเป็นทายกคือผู้ให้แล้วเขาก็ไม่ได้ตอบนะที่นั่นพอถึงงมาพูด แต่มาก็เห็นว่าพระท่านงงๆ ง, งอยู่เหมือนกันเลยนะฮะพอเขาพูดท่านกงงเอ๊ะมันตักบาตได้หรือไม่ได้เราจเห็นว่าทานนั้นเป็นบุญยักขิยาวัตถุสาธารณะทั่วไปไม่ได้เจาะจงพระหรือครรวาการทําบุญตักบาตพระสารีบุตรก็เคยทําบุญตักบาตอุทิศกุศลให้แม่ของท่านที่เคยเล่าในเปรต ว, วัตถุนะฮะแม่ของท่านในชาตินั้นนี่ยเคยมาเกิดเป็นยักขินียักขินีอยู่ ไม่จะเป็นเปรตไม่ยากี่นี่เป็นเปรตก็แสดงตัวขอส่วนบนนนสส่วส่ววบุญจากพระสารีบุตรพระสารีบุตรทา่านมุ่งจะเอามาัจากไหนเป็นอาหารนะขออาหารเลยก็พอดีอุบาสกเขาเขานั่งอยู่ตรง น, นั้นเขาก็จัดอาหารมาถวายพระสารีบุตรพระสารีบุตรก็เอาอาหารเหล่านั้นตักบาตรแล้วก็อุทิศกุศลไปให้อดีตมัรดามัรดาก็พ้นบาปอนโมทนาก็พ้นบาป แล้วก็อธิบายรูปฐานยกปฏิกาหกที่พูดไว้ในวันก่อนนะฮะจะเห็นว่าตรงตรงนี้ที่จริงท่านไม่ได้หมายว่าปฏิกาหกผู้รับแล้วต้องเป็นพระอย่างนั้นพระก็รับเละหมดเลยปฏิกาหกแปลว่าผู้รับนะฮะไม่ใช่พระไม่ได้แปลว่าพระปฏิกาหกก็แปลว่าผู้รับแล้วฐานยกในแปลว่าผู้ให้หมายถึงกรรมหมายถึงการกระทำํำคนเราจะเป็นอะไรเนี่ยเพราะการกระทํา วันการเป็นทายุการเป็นเป็นปฏิกาหกการเป็นบุปการีการเป็นกตัญญูกตเวทีที่จริงเขาพูดถึงกรรมคือการกระทําการกระทําของคนเหล่านั้นน่ยว่าหมายความเมื่อเป็นอย่างนั้น เ, เขาทําอย่างนั้นเขาจึงเป็นอย่างนั้นเจนวรกษัตรย์เมื่อทํานาก็เรียกว่าชาวนาไม่จะเรียกว่ากษัตร์นะพราเมื่อมาค้าขายก็เรียกว่าพ่อค้าไม่จะเรียกว่าพราม์คือเขาจะพูดที่กรรมไม่ได้พูดไม่ได้พูดที่ตัวคนแล้วจึงไม่ใช่ตําแหน่งผูกขาดนะฮนะ แล้วอธิบายกันปเป็นจนเป็นตําแหน่งผู้ขาดอย่างนั้นพระก็รับกันสนุกไปเลยไม่ต้องให้ใครเลยอ น, นไม่ใช่อย่างนั้นนะนะเป็นบุญเป็นบุญที่ทุกคนต้องทำเพราะงั้นในตรงนี้ก็แสดงให้เห็นถึงความรู้ระดับยากแต่มาพระสารีบุตรพอ่พอพ่อแม่ท่านบอกท่านก็ท่านก็รู้ พอเบรดมาแสดงตัวปรากฏว่าเป็นมารดาท่านกะรู้แต่ก็รู้รู้เป็นในเรื่องส่วนตัวของท่านเกี่ยวข้องกับท่านแต่ว่าที่จะเล่าอดีตชาติคนอื่นเนี่ยไม่เคยรู้นะไม่ไม่เคยพบไม่เคยพบหลักฐานตรงนี้วิชาในพระพุทธศาสนาเป็นการแสดงในเชิงเหตุจงผลว่าสัรับสภาพจิตไม่ไเลย แล้วตัววิชานั้นเองจะต้องขจัดอวิชานั้นคือสูตรถ้ายังขจัดอวิชาไม่ได้ก็ไม่ถือว่าเป็นวิชาทำให้เห็นว่าต่างจากของพรามณ์ของพรามณ์นั้นเพิ่มอวิชาทั้งหมดเช่นเราไปถือวันหน้าก็หลงตัวเองถือรูปงามก็หลงรูปตัวเอง ถือวันณะก็เกิดดูหมินคนอื่นนะวันณะต่ํากว่ตัวเองมันมันไปเพิ่มกิเลสของพระนั้นเพิ่มกิเลสแต่ของพุทธต้องลดกิเลสแล้วไม่ได้ผูกขาดกลุ่มคนจะอาศัยการกระทำแต่นั้นเองใครก็ได้นะใครก็ได้แม้แต่ความเป็นพระที่จริงโดยเนื้อหาอย่างที่เคยบอก ว่ามันไม่ได้อยู่ที่รูปแบบว่าต้องโกนผมต้องนุ่งผมผ้ากางสาววัฟัดอะไรตไแต่สีอะไรที่นี่มันั่งถกเถียงเรื่องสีกันนี่เสียเวลาเยอะนะจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวไม่ใช่สารัตถะอะไรคือความเป็นพระความเป็นพระนั้นอยู่ที่สภาพจิตซึ่งไม่เบียดเบียนอหญิงสาสัญญโมธโมนะละักษณะ ม, มันมีสามคำนั้นนั่นเองลักษณะจริงๆคือคาเดียวอหญิงสาคือไม่เบียดเบียน แต่พื้นฐานของสัตว์โลกเหล่านั้นชอบเบียดเบียนเพราะการจะฝึกปลือพัฒนาจิตใจของตัวเองให้เป็นนักบวชได้เป็นธรรมณะให้เป็นบัตรปราชิตได้มันก็ต้องมีสัญญาณคือสำรวมสำรวมระวังเวลาเกี่ยวกับชีวิตคนอื่นเกี่ยวกับทรัพย์คนอื่นเกี่ยวกับผู้พร่องของคนอื่นเวลาพูดจากับคนอื่นอย่าให้เกิดปัญหาในด้านจริยธรรมเป็นการเบียดเบียนเขาเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้แก่เขา แล้วก็สัมรวมในด้านอินทรีย์สัมรวมในด้านขันติสัมรวมระดับต่างๆทีนี้ทำยังไงจะสัมรวมได้ก็ต้องฝึกคือต้องมีธรรมะคือฝึกทําได้บ้างไม่ได้บ้างนะนะฮะก็ ก, ก, ก, ก, ก็ทำไปเรื่อยๆแล้วกันก็ฝึกไปเรื่อยๆอย่างน้อยให้หยุดตัวเองได้ธรรมะก็แปล ว, ว่าหยุดคือค่มใจตัวเองได้ห้ามใจตัวเองได้ยยยนะอย่าให้เบียดเบียนเขานะฮะอย่าให้เบียดเบียนเขาแล้วก็ การสํารวมก็มีความหนักแน่นมากยิ่งขึ้นคือศาสนาพูดเรานั้นไม่ไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคนนะนะไม่ได้เกี่ยวกับวันนะไม่ได้เกี่ยวกับรูปร่างหน้าตาไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยเกี่ยวกับใจแต่นั้นเองเป็นเรื่องของใจโดยเฉพาะถึงเ ว, เวลานี้เราจะพบว่าแนวความคิดโลกเนี่ยมันมันมันกลับประเทศไทยเราถือว่าเป็นปีรณรวงค์วัฒนธรรม กำหนดปีนี้นะฮะตอนนี้ขยายไปถึง40อะแล้มาก็เสนอขยายปีทองการสงษาสมมาอยู่ที่40ด้วยพถึง40แล้วขอขยายต่อมันมันจิ้งไม่ได้นะฮะแล้วก็ต่างประเทศองค์การยูเนสโกก็เริ่มเริ่มหมุนกลับที่ทุกชาตินั้นจะต้องดึงวัฒนธรรมกลับมาทำมาอย่างนั้นแล้วก็ก็เล็กกันใหญ่นะ่ะฮะสังคมนี้จะเล็กกันใหญ่ แล้ต้องให้ต้องเห็นความต้องการเก่วัฒนธรรมซึ่งก็บหมายความว่าวัฒนธรรมนั้นมันสืบมาจากศาสนาเวลานี้มีข่าวมาแล้วนะคุณบุนูไทยโดนปาวอุจาระคัดขึนคิดถึงพระศาสนาตอนนี้จะตั้งกระทรวงศาสนาศิละปะวัฒนธรรมถึงความคิดมานานแล้วนะครับความคิดที่คิดกันานานนะเพราะว่าเราต้องรณรงค์เรื่องเหล่านี้ให้เป็นรูปธรรม ก็เรียกว่าสอนให้รู้อยู่ให้เห็นอทําให้ดูแล้วก็อยู่ให้เห็นนะเป็นแบบไปเลยแล้วก็ยกย่องคนที่ที่ ท, ที่ที่ประพฤติปฏิบททัติเช่นนั้นให้ปรากฏซึ่งก็เป็นเรื่องต่อสู้กับกระแสกระแสวัฒนธรรมข้ามชาติข้ามโลกมาทางดาวเทียมนะคงคงคงจะไม่ใช่ง่ายอะไ ร, ไรหลายๆหลักก็สู้กันเยอะไม่จะไหวหรือไม่ไหวก็ ก็ว่ากันเต็มที่ก็แล้วกันตรงนี้เราเราจะเห็นถึงว่าวิชาในระดับนี้เราเองคงใช้ศรัทธาเป็นหลักในตอนต้นนะฮะถ้าใช้ปัญญาก็หมายความมาใช้สัมผัสตรงเราก็ต้องปรับจิตมาถึงจุดนี้จะก่อนจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไม่มีกิเลสปราศจากกิเลสเสียก่อนแต่ยังไม่ถึงจุดนั้นวิชาตรงนี้มันเกิดขึ้นไม่ได้ แต่เราสังเกตว่าโดยเนื้อหาแล้วเนี่ยเราก็ใช้ศรัทธาคือเชื่อตามที่พระพุทธเจ้าว่าว่าแต่และชีวิตนั้นผ่านสังสารวัติมาแต่ผ่านการเกิดมาออดีบ้างไม่ดีบ้างอะไรแต่ไหก็ตามแรงของกรรม เป้ามายความวิชาข้อ น, นี้เรายัางรู้จริงๆไม่ได้แหล ว, ว่าชาติก่อนเราเคยเกิดมาหรือไม่เกิเกิดเกิดเกิดเป็นอะไรเกิดเป็นยังไงแลแต่เนี่เรารู้ไม่ได้แต่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าอย่างนี้แล้วพระพุทธเจ้าทรงรู้เห็นเมื่อสภาพพระไถยของพรองค์เป็นอย่างนี้แล้วก็จะภาพหยิบใจของใครก็ตามมาถึงจุดนี้นะท่านก็ได้ปุเพในวาสารปิยานด้วยกันทั้งนั้นแต่ข้อสําคัญว่าปฏิบัติให้มาถึงจุดนี้เสียก่อน ต่ะการต่อไปนั้นก็คือจตุปาปัตยานทรงอธิบายแนวเดียวกันหมายความว่าจิตใจเป็นสมาธิตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไม่มีกิเลสปราศจากกิเลสเป็นจิตอ่อนแล้วก็พร้อมมีความพร้อมที่จะน้อมไปเพื่อรู้ถึงการที่สับปะชีวิตทั้งหลายมีความแตกต่างกัน แตกต่างกันในด้านสถานที่เกิดแตกต่างกันในเรื่องรูปร่างแตกต่างกันในเรื่องยุคสมัยแตกต่างกันในวิถีชีวิตคือพฤติกรรมการกระทำของคนแต่ละคนและแต่ละขณะด้วยนะเรา็นว่าแต่ละขณะเลยความคิดพฤติกรรมของคนในแต่ละขณะนั้นทำไมยังแตกต่างกันก็ทรงได้คำตอบ คำตอบว่าที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะการกระทำของคนเรอดังนั้นพระกรรมคือก้คือการกระทาของคนเหล่านั้นเป็นตัวกาหนดเป็นตัวกาหนดให้วิธีชีวิตของคนเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงไปตามการกระทำของคนเหล่านั้นก็เมื่อวานในที่อภิปรายเนี่ย มีการประรบถึงตะวันออกกลางพระก็ไปที่อียิปมาก็ไปร่วมประชุมที่อียิปแล้วก็เล่ากันว่าในอียิปเนี่ยใครไม่เชื่ออันเลาะนี่จับติดคุกเลยจับใส่คุกเลยเอากฎมาเอาเอาศาสานามาเป็นกฎหมายใครไม่เชื่อว่ามีอันเลาะนี่ติดคุกถือว่าผิดกฎหมายถ้าอยู่ภายในได้อย่าพูดนะฮะ ถ้าให้มีคนรับรู้แล้วเนี่ยเขาจับใส่คุกแล้เอาเอากฎหมายไปบังคับเป็นวัฒนธรรมไม่ใช่เอาศาสน า, าเป็นกฎหมายและเป็นวัฒนธรรมเป็นขนธตามเนียมประเพณีก็ เ, เรียกรัฐอิสลามโดยจะเห็นว่ารัฐอิสลามทาไมจึงแข็งมากนะวัฒนธรรมจึงแข็งมากเพราะเขาใช้ศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้าศรัทธาต่ออันเลาะนี่เป็นหลัก แล้วก็นในขณะเดียวกันก็คุมด้วยกฎหมายเลยคุมด้วยกฎหมายคือเธอต้องเชื่ออย่างเดียวนนเด็เธอไม่เชื่อไม่ได้เธอไม่เชื่อเธอก็ต้องติดคุกอะ่ะนี่คือคือวิธีวิธีการที่ที่เราสังเกตบันานว่าธรมอิสลามเ น, นี่ยมันแข็ง่เกินในสาภาพโซเวียตมีตั้งหลายแคว้นน่นาที่ปกครองโดยอิสลาม ที่ที่ที่ที่ทาศาสนิกอิสลามเยอะเนี่ยนะ77ปีเป็นคอมมินิที่77ปีมันปกครองด้วยระบบคอมมินิได้แต่วิถีชีวิตเป็นอิสลามคือถือว่าเก่งมากๆเป็นเป็นเป็ น, ปนาศาสนาที่คุมาศาสนิกเก่งมากๆเขนาดเธอไม่เชื่อเนี่ยของเรานี่ชอบวิจารณ์พระพุทธเจ้าเดินด้วยพระบาทได้เจ็ดเก้าเนี่ยนะฮะถ้าอยู่ในอีอยิปต์แล้วติดคุกหมดแล้ว อันนี้คือคือวิธีการทางศาสนานี่ยเขาเ <ๆ S 1> ขาเขาแรงคือใช้ใช้สอดคล้องกับศาสนาวัฒนธรรมกฎหมายเพราะว่าในคำพอัญญาอานี่มันมีลักษณะเป็นที่จริงมันมีลักษณะเป็นรัฐาศาสตร์เป็นนิติศาสตร์แล้วก็เป็นรัฐาศาสตร์ไม่ไม่เชิงาศาสนาแล้วฮะที่จริงเป็นเป็นระบบในการบริหารบ้านเมืองมากกว่ามีต้องกฎหมายลงโทษขโมยนี่ตัดมือเลยนะฮะขโมยนี่ตัดมือเลย ในซาอุดีอาราเบียยังตัดมืออยู่เลยทุกวัน แ, แสดงว่าเอาจริงมากแต่ไม่ไหวะสร้างบาปเยอะเลยวิธีการในศาสนานั้นต้องเป็นวิธีการที่ที่เป็นบุญแล้วก็ให้คนยืนหยัดได้ด้วยตัวเองเป็นเป้าหมายแต่ว่าตอนตอน้ตนๆนั้นก็เหมือนในการปลูกพืช น, นะมันต้องมีอะไรห้อมล้อมเอาไว้เพื่อให้มันมันยืนได้ก่อนนะ แต่เหตุว่าศรัทธาจึงต้องเป็นฐานในตอนต้นๆคล้ายๆความเจริญเติบโตของเราต้องเกาะอิงพ่อแม่มาโดยลําดับโดยลําดับแล้วก็ลดไปโดยลําดับ เ, เพื่อยืนหยัดโดยตัวเองได้ความเชื่อในตรงนี้เราจะเห็นว่าเราก็คงคงรู้อย่างที่พระเจ้ารู้ไม่ได้แในตอนสุดท้ายก็ทรงแสดงว่าวิชาเกิดขึ้นวิชาด้าไปแสงสว่างเกิดขึ้นความมืดหายไปเหมือนกัน ก็แสดงว่าควาเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคนมันเกิดขึ้นจากการกระทําของคนก็ตามกระบวนการของกรรมเราก็ใช้ความเชื่อด้วยใช้ปัญญาด้วยนะะตรงนี้ที่จรงิงใช้ปัญญาได้ระดับหนึ่งแต่ว่าชาติก่อนมันก็ใช้ปัญญายากกันนะใช้ปัญญายากเราต้องใช้ความเชื่อเอาก่อนแต่พอถึง มาเรื่องกรรมความเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตเราเห็นได้ชัดเลยว่าความเปลี่ยนแปลงที่เป็นข่าวคราวเรื่องราวต่างๆเรื่องดีเรื่องไม่ดีเรื่องอยกย่องเรื่องตำหนิอะไรต่าไรก็ตามนะรวดแล้วแต่เป็นการกระทาของบุคคลเหล่านั้นอย่างน้อยที่สุดเนี่ยคเชื่อว่าเขาก็ทำอย่างนั้นทั้งการยกย่องทางการตำหนี่นะฮะมีเป็นอันมากที่เราใช้ความเชื่ อ, อใช้ความเชื่อว่าคนนั้นนั่นนะะแต่เราก็ใช้ความเชื่อเอา เราก็ยกย่องโดยใช้ความเชื่อเราก็ตำหนิดโดยใช้ความเชื่อแสดงว่าวิถีชีวิตจริงๆของเราเราก็ใช้ความเชื่อมากกว่าที่ใช้ปัญญาเพราะปัญหาในด้านการใช้ปัญญาในในในที่สัมน า, าเราปรับปรระเด็นนี้นะฮะว่ายุค ย, คยคโลกาภวัต์เนี่ยสารสนเทศโลกไร้พรมแดนเนี่ยเป็นยุคที่น่ากลัวสำหรับคนไทย คือหมายความว่าเราฟังจากคนอื่นมากกว่าที่จะที่จะคือเราเราเป็นผู้รับฟังข่าวสารเนี่ยมากกว่าจะเป็นผู้สื่อสารแล้วก็สื่อสารเนี่ยมันมาเยอะเหลือเกินปัญญาในการวินิจฉัยข้อมูลข่าวสารเราไม่ค่อยไม่ค่อยมากพอนะฮะไม่ค่อยมากพอต่อการใช้ในเครื่องมือเหล่านั้นแล้วก็มีอคติอยู่ด้วยภายในใจนี่มาก ให้ลองสังเกตดูว่าถ้าเรื่องเหตุผลเรื่องหลักการเรื่องความถูกต้องเรื่องความนึกซึ้งทางศาสนาปัญญาเนี่ยเรามักจะอ้างกาลามสูตรเอาไปขวางตัวเองไว้เอากาลามสูตรไปขวางตัวเองไว้นะอย่าเชื่ออย่าเชื่อโดยอ้างตัมมาได้ว่าเร่นะว่าเร่แต่พอข่าวลือพูดถึงความชั่วคนอื่นนี่เชื่อทันทีเลยไม่เคยอ้างกาลามสูตรเลยกระโจนข้าวไข่ย่ำทันทีเลย วันคติไทยโบราณเดว่าอะไรนะไม้ลมข้ามได้คนล้มจยาก้ามเบื้อนนี้ไม่ใช่ข้ามเฉยๆกระทืบเลยนะนั่นคือความเปลี่ยนแปลงที่เราเห็นว่าการวินิจฉัยความสามารถในการตัดสินวิวนิจฉัยข้อมูลข่าวสารที่ตัวฟังเนี่ยมีไม่มากแล้วก็เชื่อง่ายพอเรื่องดีๆกลับไม่ค่อยเชื่อแล้วตรงเนี้ยพระพุทธเจ้าเดินด้วยพระบาทในเจ็ดเก้านี่เสียงจริง จริงๆนะทั้งที่ตัวเองเกิดไม่ทันอ่ะเถียงจริงไม่เชื่อครับถ้าเชื่อเนี่ยมันมีผลประโยชน์โดยประการทั้งปวงไม่ได้เสียหายอะไรเลยทำให้ศรัทธาเรามั่นคงขึ้นมาแล้วก็ไม่สะดุดอยู่ตรงนี้เราก็เดินของเราได้ mm hmm. มนนันเป็นเป็นเป็นคุณสม บ, บัติพิเศษเราจะเกิดความภาคภูมิในชั้นด้วยด้วยซ้ําไปว่าศาสดาเราเป็นอัจฉริยะ mm hmm. อัจฉริยะมาตั้งแต่เกิดเลย mm hmm. เป็นบุคคลพิเศษเรานับถือคนพิเศษ เป็นอภิมนุษย์ดิมันมันสง่ามากมากนะจริงจริงมันน่า จ, จะภาคภูมิในจุดที่มีาศาสดาอย่างนี้ไหมก็เดี๋ยวนี้ปล่อยเลยเถิดไปจนถึงว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่คนไทยนะพอจะรณรงค์เรื่องาศาสนาวัฒนธรรมเข้ามาหน้าผู้จาการมันเกิดขานพระพุทธเจ้าไม่ใช่คนไทยไปโน้นเลยดูสิ <S <S สเป็นสมบัติของมนุษยชาติมันจะเป็นอะไรจะต้องเป็นคนไทยหรอประศาสดาเป็นโล ก, กันนาดเป็นโล ก, กันนาดแล้วเราให้เราลอง สังเกตเราพอเอาเขาจริงเราชื่นชมนักวิทยาศาสตร์คนคิดเรื่องสภากาชาติก็ไม่ใช่คนไทยอ่ะก็ชาวสวิตอ่ะทำไมเราเอามาชื่นชมอ่ะนี่ ค, คือคือคือแสดงถึงความสับสนสิ่งที่เราคิดเราพูดในจริงมาขัดแย้งกันเองพระจุดหนึ่งเธอเชื่ออ่ะพอจุดหนึ่งเธอไม่เชื่อจอีกแล้วทางที่ว่าเป็นเรื่องกรณีเดียวกัน ดังนั้นปัญหาตรงนี้เราชงต้องใช้ได้ทั้งความเชื่อแล้วก็ทั้งศรัทธาไม่ใช่ทั้งทั้งทั้งปัญญาแต่ว่าต้องอ า, อาศัยความเชื่อเป็นหลักเพราะว่าการรมมันเกี่ยวกับสังสารวัฏพอถึงจุดสังสารวัฏเราก็ต้องใช้ศรัทธาแล้วเราก็ยังไม่ได้ตายนะฮะไม่ต้องรอให้ตายไปก่อนอย่างพระเจ้าปราจญ์สิก็คงจะยุ่งเหมือนกันบางครา้งก็ เ, เชื่อไปก่อนตรงนี้ให้ลองสังเกตว่า จุดเน้นที่สุดก็คือเห็นว่าความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคนนั้นเกิดขึ้นจากการกระทาของคนคนคนนั้นนั่นเองไม่ใช่คนอื่นทำให้ไม่ใช่ใครทำให้ก็ทำให้เกิดความรับผิดชอบในการกระทาของตัวเองเราต้องการความเจริญเราไม่ต้องการความเสื่อมเราก็สร้างเหตุความเสริมความเจริญไว้พระเจ้าก็ทรงแสดงเ ห, เหตุเหล่านั้นไว้ให้แล้วแล้วข้อต่อไปนั้นก็แสดงเหมือนเดิมนะฮะ ออใจิตใจตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไม่มีกิเลสปราศจากกิเลสเป็นจิตอ่อนโยนพร้อมที่จะน้อมไปเพื่อทำลายทำลายอะไรทลายเหตุแห่งสังสารวัฏทาลายเหตุแห่งความทุกข์ก็คือทำลายกรรนะฮะทลายกรรมเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวปัญหาพระริจจาทั้งหลายนั้นท่านไม่ชอบการเกิดแล้วก็ท่านไม่ชอบความทุกข์นะฮะ ท่านไม่ชอบกิเลสกับท่านท่านไม่ชอบความเกิดเพราะความเกิดมันมาจากกิเลส no เห็นไหมว่านิพพานเวลาท่านพูดสรุปหท่านพูดนิดเดียวว่าดับเพลิงกิเลสและเพลิงทุกนิดีใเองดับเพลิงกิเลสและเพลิงทุกเพราะกิเลสกับทุกในท่านไม่ชอบแต่ท่านก็รู้ว so ่าความทุก <ling> ม <okay. S 2> ันมาจากกิเลสเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระรีเจ้ารังเกียจก็คือกิเลสนะฮะรังเกตกกิเลสแต่ว่าความทุกนั้นคนที่ทุกท่านสงสารคนที่ทุกท่านสงสาร พระริจ้าจึงมีการุณาต่อคนที่ประสบความทุกข์ก็คือแนวที่บอกตะกี้นะฮะคืออหิงสาไม่เบียดเบียนก็คือการุณานั่นเองไม่เบียดเบียนก็คือการุณาแต่การุณาอ่อนๆเพื่อพัฒนาขึ้นไปสู่ความการุณาที่ที่สมบูรณ์ก็น้อมไปเพื่อให้หมดอาสวะคือทำลายสาเหตุจริงๆ เราเห็นว่าตรงนี้คือสัจรูคือรู้อริยสัจสี่สมบูรณ์ที่สุดก็มารู้ตรงนี้อาสะวะนั้นเป็นการสรุปกิเลสสรุปรวมกิเลสภาษาที่ท่านพูดจะพูดแปลกนะฮะจิตหลุดพ้นจากอาสะวะทั้งหลายไม่ถือมั่นในอุปาทานเห็นไหมฮะจิตหลุดพ้นจากอาสะวะเอามันเกี่ยวกับอะไรกับอุปาทานไม่ถือมั่นในอุปาทานแต่ที่จะไม่ถือมั่นใยอาสะวะไม่ใช่ไม่ถือมั่นในอุปาทาน ก็แสดงว่าอุปาทานก็คือชื่อกังกิเลสอาสวะก็คือชื่อกังกิเลสแต่อาสวะนั้นเป็นเหตุให้เกิดยึดมั่นถือมันไอความยึดมั่นถือมัน่นท่านจะเรียกเรียกอาการกิเลสที่เป็นอาสวะนั่นแหละ ว, ว่าอุปาทานก็แปลว่ายึดมั่นถือมันอาสวะมันก็มีเพียงส า, า, ามอาสวะเรวาการมาสวะภาวาสวะวิชาสวะกามาสวะอาสวะคือกางได้แก่ความรู้สึกในกระแสของโลภะนะฮะ ไหนเราจะเกตตรงนี้ไม่ได้พูดโทสะไว้ทำไมฮะโทสะกับโลภะเนี่ยก็เกาะติดกันมามันเหมือนความเกิดกับความตายเนี่ยก็ติดกันอยู่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ต้องพูดก็ได้นะเกิดแ้วตายแน่เลยรับรองนะร้อยทางร้อยว่าตายแน่เพราะงั้นระหว่างความใค่กับความความกโกรธเนี่ยที่จริงมันอยู่ด้วยกันแล้วก็พร้อมที่จะแสดงเช่นความรักรักมากโกรธมากเห็นไหะรักรมากโกรธมาก บางทีคนนี่รักๆ ก, กันฆ่ากันเองเลยเพราะที่จริงเขาอยู่ด้วยกันพรกอีกด้านหนึ่งมันมันเป็นความจริงของเหรียญสองด้านให้ลองสังเกตเราแม้ได้ตัณหาพุทธเจ้าก็ไม่ไแสดงโทสะไว้เห็นไหมกรรมตัณหาภาวะตัณหาภวะตัณหาแต่ในความเป็นวิภาวะตัณหานั่นแหละมันก็มีโทสะเนีหยเป็นอาการของโทสะทั้งหมดเป็นมาจากอาวิชชาเพราะกรรมาสะวะถ้าเรา ถ้าเราอยากได้ในสิ่ ง, งนั้นถ้าเราได้มันก็เพิ่มกรมอาสวะขึ้นแต่ถ้าเกิดไม่ได้เราก็เกิดโทสะเห็นไะมไม่ได้ใคร ข, ขัดขวางหรือของนั้นเสียไปเราก็เกิดโทสะทันทีมันติดกันอยู่ไม่จาเป็นจะต้องพูดก็ภาวาสวะอาสวะคือครบคือความมีความเป็นตลอดถึงการปรารถนาบังเกิดในพบชาติต่างๆนะฮะก็จึงถือว่ายังอยู่ในสังสารวั แล้วมาจากอวิชชาสวะอสวะคืออวิชชาแต่ว่าพอเรียงเป็นอุปาทานท่านเรียงสี่นะฮะท่านเรียงสี่เรียกว่ากามุปาทานถือมั่นกามก็คือมาจากกามาสวะทิฏฐุปาทานถือมั่นโดยพิทิติศีละพุตุปาทานถือมั่นด้วยศีลด้วยวัดและอัตตวาทุปาทานถือมั่นบาทะว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เรามีฐานอย่างนั้นอย่า ง, ง, น, า ง, งนี้เราจะเห็นว่ามาจากอวิชชา มาจากอาวิชชาทั้งหมดเลยเป็นอาการของพวกอวิชชาแต่ก็พร้อมที่จะเกิดโทสะเช่นสมมุติว่าเรามีความเห็นอย่างนี้ถ้าใครเห็นตามเราเราก็ชอบถ้าใครขัดแย้งเรากโกรธเห็นนะเรามีความเห็นอย่างนี้เ พ, เพื่อนข้านเรากโกรธเลยก็แสดงว่าความเห็นตรงเนี้ยมันพร้อมที่จะออกมาได้ทั้งโลภะทั้งโทสะใครเห็นอะไร น, นะจำนวนจำนวนจ ำ, ำนวนหนังกำมัง ภายในว่าใครขวางฆ่าตายใครเอใครยอมฆ่าอยู่ใครขวางก่าตายเห็นไะมมันก็มีทั้งโลภะทั้งโทสะใครใครยอมฆ่าอยู่ก็เกิดโลภะใครขวางฆ่าตายก็เกิดโทสะมันก็มันก็น ก, น ก, นก็เป็นอาการของโลภะโทสะที่ที่มีอยู่ภา ย, ภายในใจคนตอ น, นเมื่อเมื่อท่านรู้ในท่านก็ทําลายอัสวกิเลสหมด ให้เราสังเกตว่าคําสอนทั้งหมดที่พระเจ้าทรงสอนไม่ว่าจะสอนอะไรก็ตามนะก็ต้องการเพิ่มปริมาณธรรมะเพื่อลดละอาสวะลดละอุปาทานอะเนี่ยแต่แม้แต่ชีวิตร่างกายขันห้าก็ทรงสรุปว่าที่เป็นทุกข์จริงๆเนี่ยมันเกิดจากอุปาทานสังขิตเตนะบัญจุปาทานกันธ า, นาทุกขะกล่าวโดยสรุปแล้วจิตยึดมั่นหรือมั่นในขันห้านั้นเองเป็นทุกข เันเมื่อถุงนี้ลดลงไปกิเลสมันลดลงไปเนี่ยการยึดมัน่นหรือมั่นมันก็ลดลดมันก็ปรับใจได้มันก็เข้าใจได้นะดังนั้นการเพิ่มธรรมะขึ้นทุกข้อก็ช่วยให้เราสามารถลดกิเลสลงไปแตในขณะเดยียวกันรพระอนุนท่า น, นนั่งอยู่ด้วยพอพระพุทธเจ้าทรงสแสดงให้ชานุสนณีพราม์เทียบเคียงนะเทียบเคียงเสร็แล้ว พระนนท์ก็ถามว่าพระามท่านคิดเห็นยังไงว่าระวังวิชาสามกับวิชาวิชาสามก็พระองค์วิชาสามของพุทธเนี่ยนะท่านชอบท่านชอบใจวิชาอะไรท่านเห็นว่าวิชาอะไรที่มีประโยชน์มา ก, กว่างแต่ชาญวุโสนสโสนิพระามท่านไม่ตอบตรงประเด็นท่านไปตอบว่าข้าพเจ้าชอบ ชอบใจความเห็นของพระธรรมนคดุตรชอบใจความเห็นของพระุทธเจ้าแล้วก็พระอา น, นุนเนี่ยนะฮะพระนุ์บอกไม่ได้ถามอย่างนั้นว่าถามว่าหลักการทั้งสองหลักการมันหลักการ น, น, นะตรงนี้มันเป็นหลักการว่าหลักการทั้งสองฝ่ายเนี่ยท่านชอบอะไรถามครั้งที่สองครั้งที่สามถึงครั้งที่สามจันทุสโณนีก็ยังตอบเหมือนเดิมนะตอบเหมือนเดิมพระอนุนแต่บอกไม่ตรงประเด็นนะโยมนไม่ตรงประเด็นนะประเด็นนี้ก็ถามในประเด็นนี้ แค่นี้โซนีแกแกคิดไม่ออกอ่ะคิดไม่ออกว่ามันไม่รู้ว่าจะตอบอยังไงแล้วอามาเองอย่างมองลึกๆนะฮะว่ามันเป็นเรื่องจิตวิทยาโมนชนคือแสดงฝักฝ่ายเดี๋ยวไปได้เพราะว่าบรรดาศาสนาทั้งหลายในโลกนอกจากฮินดูแลไม่ใช่นอกจากซาลามแล้วฮินดูในวัตนธรรมแข็งมหาศาลเหมือนกัน เราลองดูนะฮะพระพุทธเจ้ายัางทําลายวัณนณนะเขาไม่ได้เลยนะไม่ใช่เล่นเนะพระพุทธเจ้าอยู่เนะี่ยยังทําลายวัณนณนะเขาไม่ได้นะสร้างกฎเกณฑ์อะไรขึ้นมาเยอะเอาค้าจริงเนี่ยอินเดียขับออกจากอินเดียไปเลยนะแต่พพุทธอยู่ไม่ได้เพราะสู้กระแสวัณณะไม่ได้วัณณะมันแรงจริงๆนะแล้วทุกวันแรงกว่าเดิมแรงกว่าสมัยพระพุทธเจ้าได้ ไหมมันมันแข็งมาสารเลยมันมาจากวันระบบความเชื่อเป็นการจําแนกของพรหมมาเขานับถือพระพรหมวันณะนี่เป็นวงการองค์การของพรหมว่ากษัตริย์เนี่ยเกิดมาจากโอทของพระพรหมพรามเกิดมาไอ้ไม่ใช่พรามเกิดมาจากโอทของพระพรหมกษัตริย์เกิดมาจากแขนพรหมจากอกพรหมแพะเกิดมาจากปัดพรหมแล้วก็สูตรเกิดมาจากเท้าพรหมพวกจันทร์เป็นพวกนอกวันนะ ถ้าอินเดียเราแก้ระบบบรรณาได้เนี่ยแก้ปัญหาสังคมแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้แต่เขาแก้ระบบบรรณะไม่ได้ปัญหาสังคมปัญหาเศรษฐกิจปัญหาการเมืองจึงมาลุมมาตุ้มอยู่ตลอดอเนี่ยทะเลาะอยู่ตลอดอ่อินเดียเลิกทะเลาะวันไหนก็แสดงว่าโลกเข้าถึงนิพพานแล้วนะมนไม่ได้มีทางทะเลาะได้มันไม่มีทางเลิกได้แล้วอามาเคยเคยตั้งข้อสังเกตอะไรคนที่จะไปเผยแผ่ศาสนาเดียบอินเดียเนี่ยไปเผยแผ่ได้ แต่ท่านอย่านั่งเครื่องบินไปท่านหอ่อใบเลยรับรองเลยตอนห่อใบเราห่อไปอเนี่ยมันหนังกำลังอะไรห น, หนังแขกอะ่ะจะห่ออยู่พักเดียวเรียกอินเดียมาเป็นล้านล้านได้เลยอินเดียมันตื่นดิตินะิษนะฮอินเดียมันตื่นดิติริษตื่นปาฏิหารแต่ต้องห่ะไปนะฮะนั่งเครื่องบินไปแล้วไม่มีทางอะ่ะแขกไม่ตักบาทให้ฉันครับแต่ถ้าห่ะไปแล้วก็รับรองเลยคือเป็นอะไรล่ะ ชอบชีวิตที่ที่เรียกว่าตื่นเต้นนะนะชอบชีวิตที่ตื่นเต้นอะไรก็ตามที่ที่แกพึ่งแกตื่นเต้นแล้วเนี่ยแกแกแกฮิโรซลภาพาไปเลยตอนนั้นมันมันร่มร่มผู้หญิงที่เขาพับอะพับกดอะพับก ด, กดมาไปที่พาราณสีไปเดินพอดีฝนตกนะฮะนี่ฝนตกเราก็ดึงมาแล้วกดชักวิง่งเฮ้ยอัมเบรล่าคนนี เลี่ยมเร็วลาลีมเร็ววิ่งโอ้ยมากันอุตลุดเลยอะไรไม่รู้ร่มสักดิ์สิทธิ์ร่มศัก์สิทธิ์ร่มมาตรจันทรน่ะนน่นมันมันมันอะไรล่ะติดเทวดานะติดเทวดาแบบแบบติดเทวดาติดติดธิริศวัฒนธรรมเขาแข็งทีนี้การแสดงฝักไฟเนี่ยจะเป็นอันตรายเขาศรัทธาเริ่มใสในพระพุทธเจ้า แต่จะไปยกย่องคําสอนของพุทธเจ้าเนี่ยแกก็กลัวในแง่จิตวิทยาว่าออกไปเนี่ยไม่แน่โดนพวกตีหัวก็ได้พวกพรามณ์เนี่ยจะมันจะทําอันตรายเอาตอนนั้ตอนนั้นแตอบไปอีกเรื่องหนึ่งเลยถาม อ, อ, อ, อีกเรื่องหนึ่งตอบอีกเรื่องหนึ่งเสร็จแล้วพระเจ้าก็ทรงแสดงโดยสรุปให้มาพบกันที่จุดของธรรมะคือไม่พูดถึงพรามณตรงพูดไม่ได้พูดอะไรไมไ่พูดถึงอะไรใคร ใครก็ตามนะใครก็ตามไม่ได้พูดร่าพระมพุธนะไม่พูดร่าพราาพุธว่าใครก็ตามที่เป็นผู้มีศีลมีการปฏิบัติสำรวจระวังแล้วก็เจเจริญสมาธิจนบรรลุฌานก็ว่ามนันนี่แนวคถาเนี่ยหมายความว่าทรงแสดงแนวศีลสมาธิปัญญานะศีล ส, สมาธิปัญญาแต่ขยายสมาธิเป็นฌานกันไปเลย หมายความว่าคนเหล่านั้นเมื่อถึงจุดหนึ่งเ็ก็จะได้สัมผัสความสุขด้วยใจเขาและถ้าหากว่ายังไม่หมดกิเลสก็จะได้รับความสุขในชีวิตแล้วก็ในสังสารวัฏเพราะอะไรเพราะว่าการปฏิบัติเหล่านี้กิเลสมันลดนะนะกิเลสมันลดภูมิจิตมันสูงขึ้นทำให้พบจิตที่จะไปเกิดมันสูงขึ้น มันก็ที่ยิงมก็ดูง่ายๆอ่ะนะฮะเหมือนคนรักความสะอาดเนี่ยไม่นั่งในที่สกปรกเรอเสื้อผ้าก็จะไม่สกปรกอะไรไม่สกปรกเพราะเขารักความสะอาดนั้นภูมิจิตเขาสูงทำให้พบที่เ็าจะนั่งจะนอนจะยืนจะใช้สอยจะกินมันดีหมดอ่ะพบกับภูมิเนี่ยจะเป็นตัวกำหนดไม่ควานมาภูมิเนี่ยจะตัวเป็นเป็นตัวก ำ, กำหนดพบภูมิจิตเนี่ยจะกาหนดพบที่อยู่ที่อยู่ที่อาศัยที่นั่ง แต่เครื่องใช้ไม้สอยไม่ว่าอะไรก็ตามเราจะมองกลับไปที่ภูมิจิตเขาได้นะเข้าไปในห้องครัวเข้าไปในบ้านเข้าไปในห้องน้ำอะไรต่อะไรมันก็ดูภูมิจิตก็ได้นะเราโดยโดยดูโดยโด ย, โด ย, โ, ดยโดยเราไปดูที่พบเขาคือที่อยู่อาศัยยังแนวโบราณในท่านวาดูวัดให้ดูฐานดูสมพัน์ดูรูปวัดนะเห็นไหมฮนะหมายความว่า ไม่ต้องไปดูที่วัดหรอกไม่ดูที่ตัวสมผานไม่ต้องไปดูกติสมพางก็ได้ไปดูที่ฐานที่ซุว้มวัดแน่สะอาดหรือเปล่าถ้าสะอาดก็แสดงว่าวัดนี้ใช้ได้หรือว่าดูที่ลูกวัดก็ได้นะดูที่ลูกวัดก็ได้ลูกวัดเรียบร้อยสมผานก็แสดงว่าเรียบร้อยนะครับปกครองลูกติตลูกฐานดีตาลูกวัดอิอเลเคขะแล้วก็ไม่ต้องไปดูหรอกเหมือนเหมือนกันนั่นแหละอันนี้ก็คือก็คือสะท้อนกลับไปกลับมา จะทกลับไปกลับมาจากจุดหนึ่งไปหาอีกจุดหนึ่งได้เพราะฉะนั้นถ้าเขาปฏิบัติมันมันเพิ่มศีลเพิ่มควาสมสงบขึ้นเพิ่มปัญญาขึ้นเนี่ยการกระทำอะไรของเขาก็จะอยู่ภายใต้การควบคุมของสติสัมปชัญญะหรือสติปัญญามีปัมีปัญญาเป็นหลักหรือมีสติเป็นหลักก็ทาให้ วิถีชีวิตของเขาปลอดเวนปลอดภัยเพิ่มยิ่งขึ้นนะแล้วก็ประนีตขึ้นพบมันก็ประนีตขึ้นตรงนีเ้เวลาแสดงเวลาทรงแสดงไว้ในที่ต่างๆมันโกนไปในที่ไหนนาก็เที่ยงเรื่องตรงนี้ว่าพระพุทธเจามมา้าไม่ได้ทรงแสดงสวรรค์ไม่าคนความรู้ดีนะ โมเถยเวรกรรมนคุณรับสีมาทุกวันในไหนสีเลนะสุกติงยันติของ ม, มัสวรรค์อยู่แล้วคือไม่เข้าใจอ่ะนะไม่เข้าใจอะไรแล้วก็ชอบพูดพูดพูดไปเฉยๆนะไปเฉยๆที่ไปซุมแล้วก็คนเป็นคนความรู้ดีนะมาก็บอกว่าเนี่ยมันไม่ต้องอะไรอ่ะผมดูในสนีในท้ายสีไงสีเลนะสุกติงยันติสีเลนะโฟกัสสัมปทาสีเล น, นิปุติงยันติก็แสดงหมดแล้วโฟกสมบัติก็คือมนุษย์ สุกติก็คือสวรรค์นิพพานก็คือนิพพา น, นนะนะนิพพาก็แสดงหมดแล้วแสดงตั้งแต่สีแสดงมาทุกคนทุกแข่งตรงนี้ท่านท่านต่างหลายมองดูมันเกิดจากภูมิจิตของท่านก่อนเนะช่นว่าอานิสงส์ของศีลของขันหมายควาภูมิจิตท่านอยู่ระดับสีระดับทานแล้วก็ก็ทําให้พบที่ท่านไปเกิดเนี่ยมันก็เกิดประณิชขึน้นอยางนิสงส์แสดงกับท่านสรีหเสนาบดีที่เป็นเป็นคนเรียบฐานะบดี ยินดีในการให้ทานสร้างโรงทานขึ้นมาสงเพราะห์แก่ประชาชนอะไรตัวนี่ยคือคําว่าทานไม่ได้ทามุนกบพระาอย่างเดียวนะฮะทำทำมุนกับใครก็ได้มันก็เป็นทานทั้งนั้นแหละถามอานิสงส์กล่าบทูลถามอานิสง์เจ้าพุทธเจา้าพุทธเจา้จาเราสั่งว่าคนที่ให้ทานเป็นทานบดีจะได้อานิสงส์ตามปกติที่เคยพบเนี่ยจะทรงแสดงห้าข้อแต่ตรงนี้ทรงแสดงหกข้อ หนึ่งจะเป็นที่รักของคนเป็นอันมากสองสัตว์บรุษคือคนดีจะคบ้าหาสมาคมกับเขาสามเกียรติคุณอันดีงามจะฟุ้งกระจอยไปเป็นที่ยอมรับยกย่องของคนทั้งหลายแล้วก็สจะเป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงอ ง, งาอาจกล้าหาญมีเกียรติเข้าไปในสังคมใดก็เป็นที่ยอมรับนับถือยกย่องของคนในสังคมนั้น แต่ว่าลักษณะเหล่านี้ที่จริงมันก็เป็นภูมิเป็นภูมิในไม่เป็นไรเป็นพบในโลกนี้นะเป็นพบในโลกนี้เป็นที่อยู่ของจิตเป็นที่อยู่ของกายท่านในโลกนี้แต่มันเกิดจากภูมิจิตของท่านที่ยินดีในการให้ทานมันมาหมายความว่าภูมิเราก็สร้างพบภู ม, มิแต่ว่าธารรมะเป็นตัวสร้างภูมินะฮะธรรมะเป็นตัวสร้างภูมิจิตกิเลสก็สร้างภูมิจิตเหมืนนอนกันเด็กจิตมันตกท่านก็ใช้ว่าจิตตก จิตยกจิตขึ้นนะยกจิตขึ้นยกจิตขึ้นจากอะไรยกจิตขึ้นจากอํานาจอิทธิพลของขอ ง, ของกิเลสทั้งหลายเนี่ยภูมิจิตเราสูงขึ้นแล้วครบคือที่อยู่ของเราในแต่ละวันเนี่ยมันก็ดีขึ้นแล้วต่อจากนั้นก็แสดงถึงภูมิจิตที่มันมั่นคงนะคือไม่หลงตายตามปกติคนเราก่อนจะตายเนี่ยทุกเวธนามันแยะ คือถ้าคุมตัวเองไม่ได้นะรักษาสภาพจิตไม่ได้ก็กระสับกระส่ายสะดุ้งหวาดกลัววิตกกังวลตดยใจสารพัดแต่ถ้าภูมิจิตท่านดีท่านก็ไม่หลงตายคือจะเรียกว่าอาศัมมุนโโหกาลังกรโรติคือไม่หลงทําการลกริยาตายแล้วก็ตายไปแล้วเนื่องจากภูมิจิตมันดีก็ทำให้พบดีั้งบอกว่าตายไปแล้วบังเกิดในสุกติหรือเข้าถึงพรหมโลก ก็ถึงพรหมโลกจะต้องเป็นฌานนะฮะมาความถ้าไม่ได้ฌานไม่ไม่ไมัรเกิดในพรหมโลกครัคนมัรเกิดในพรหมโลกจะมีอยู่สองพวกคือพวกได้ฌานตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไปกับพระอริยบุคคลระดับพระนาคามีนะระดับพระนาคามีท่านเราอืน่นทํานไม่ไปหรอกท่านไม่ยอมไปเกิดในพรหโมโลกเราเพราะมันช้าไปค้างเติงอยู่ที่พรหมโลกนานหนักๆก็ไปพักสังสารวัตรไปพักหยุดหมุน่ะ ในพักหมุนอยู่นานพระโพธิสัตว์เองท่านท่านก็ไม่ยอมไปเกิดไม่ยอมไปเกิดด้วยด้วยภูมิจิตที่เป็นฌานคือพวกพรหมในเคยจะฆ่าสมาธิตายเพราะฉั้นท่านท่านตายด้วยฌานไหนท่านไปเกิดในภูมิโลกเลือกจิตไม่ใช่เลือกพบเลือกพบด้วยภูมิของจิต เช่นสมมติว่าท่านต้องการจะเกิดในพรหมโลกชั้นที่สานี่ท่านก็อยู่แค่ปฐมชาติข้าวชาตตายแค่ปฐมชาติท่านจะไม่ต่อให้เราสังเกตว่าพวกนิพพานเนี่ยเขาจะไม่ตายในชาติแลพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าก็นิพพานระหว่างชาติข้าวปฐมชาตไปถึงเนวสัญญาสัญญาชนะที่แปดนะนะอรูปรชาตที่สี่แล้วก็กลับกลับมาจนถึงปฐมชาตแล้วก็ข้าวกลับไปอีก ก็กลับไปอีกพอออกจากจตุตจานไม่เข้าอากาสารันจายตระแล้วก็นิพานตรงนั้นนิพานระหว่างฌานไม่ใช่นิพานในฌานถ้าถ้าไปตายในฌานก็เกิดในพรหมโลกแต่พระเจ้าไม่มีกิเลสนะไม่มีกิเลสเป็นเดียได้เกิดตอนนี้ก็ยุ่งยุ่ ง, ยงอยู่นิดหน่อยมีเอกสารต่อสู้กันเรื่องนิพานเป็นอัตตาเป็นอนัตตาเป็นอัตตาวิมุตตนะ์อาตมากระมังถูกดึงไปเป็นแนวร่วมมา คนน้องก็ส่งเอกสารมาให้ตรงนี้ก็ส่งมาให้เราก็อ่านเฉยๆขี้เกียจจะไปตามทำตาบอดคำช้างไเอาตามพระพุทธเจ้าว่านะอ้่เฉียงกันเสียเวลาคือลผลนุดายเนี่ยมันเฉียงเรื่องธรรมะแล้วอ้างธรรมะด้วยกันน่ยนะมันก็จะเข้านิยามไอ้เรื่องที่เขาบอกว่าไอ้ลูกศิษย์มันนวดขาลงตา่าละขาเนี่ยเออคนละขา แล้วเสร็จแล้วก็ถือขาขาขวาก็ของกูขาซ้ายก็ของกูก็เทียงกันไปเทียงวันหนึ่งมันเกิดนวดสลับขาไอคนหนึ่งมันไอคนที่เคยนวดขาซ้ายมานวดขาขวาลุงพ่อหักไปเลยไอคนนวดขาขวาโกรูดมากเลยมันนวดเอาขาซ้ายลุงพ่อหักด้วยเลยหักขาลุงพ่อหมดเลยทั้งสองข้างเลยก็ทําลายลุงพ่อตัวเองไงนะทำลายลุงพ่อตัวเอง ตอนนั้นเอการถูกเฉียงในเรื่องเหล่านี้มันมันไม่เกิดประโยชน์อนะ่ะคือสร้างวิวาทการกล่าวที่แตกต่างกันแล้วก็ไปดึงลูกศิษย์ลูกหามาถูกเฉียงมันก็สร้างความแตกแยกกันแล้เราเรื่องอย่างนี้ปล่อยถึงก็แล้วกันแล้วนะะเป็นยังไงค่อยว่าทีหลังให้มันเดินกันไปถึงด้วยก่อนมันไม่ใช่เรื่องที่จะพูดเหมือนกับเราไม่เคยไปเชียงใหม่แล้วมาเถียงเรื่องเชียงใหม่ว่าสวยงามไม่สวยงามเถียง ม, มยันทําไมเราค่อยไปดูกันแล้วกัน ไปดูแล้วกันรู้ว่าไปทางไหนก่อนกันแล้วกันนะรู้รู้ทางไปวันหลังแล้วค่อยไปแล้วไม่ต้องเฉียงหรอกไปถึงก็เห็นเองอะนี่พานั่นเป็นปัจจิตังมิรุตโบยูวิญูชนรู้ได้เฉพาะตัวอย่างที่บอกกับเปรี้ยวหวานมันเค็มใครสัมผัสมันก็ไม่ใช่เอามาอธิบายเพื่อนได้นะเวลาเขาต้องการรู้เขาก็ต้องกินเองเราทําได้อย่างมากาแค่ปรุงให้เขาอย่างมากที่สุดเนี่ยคือป้อนให้นะ อย่มาที่สุดคือป้อนให้ก็เท่านั้นเองไงทำได้แค่นั้นเพราะงั้นเรื่องธรรมะที่เป็นผลก็เชื่อตามหลวเจ้าว่าไว้ว่าหลวงพ่อว่าไว้อย่างเงี้ยตรงนี้เราจะเห็นว่าผลผลในชีวิตปัจจุบันท่าอย่างก็ส่วนใหญ่ก็สัมผัสกันได้นะแล้วก็ผลในชาติ น, านั่นหนึ่งอย่างคือไม่หลงไม่ใช่ตายไปแล้วบ่างเกิดในสุกติหรือเข้าถึงพรหมโลก มันก็สืบเนื่องมาจากสภาพจิตสืบเนื่องมาจากสภาพจิตแล้วก็ไปผูกพันกับสภาพจิตในระดับที่ลดหลั่นลงมาหมายความว่าการลึกชาติที่เห็นมีความแตกต่างกันเนี่ยเกิดประณีตบ้างยาบ้างกลางบ้างอะไรต่ะต่างกันแล้วเวลาทรงแสดงนั้นเราจะเห็นว่าจะสาวกลับไปถึงที่มาของของกรรมทำไมไปเกิดเป็นอย่างนั้นทำํำไมไปเกิดอย่างนั้นทำํำไมไปเกิดเอย่างนั้น ก็เป็นกระแสของกรรมที่มีการจําแนกไปที่พบที่ชาตินะจําแนกไปที่พบที่ชาติเราลองสังเกตดูว่าไอ้ทศชาติเนี่ยไม่น่าเชื่อนะว่าบารมีเยอะแล้วทำไมยังมาเกิดเป็นพญา น, นาคอยู่ได้บารมีเยอะนะ ท, ทศชาติก็ต่อแล้วนะฮะต่อกันเลยทศชาติก็อีกสิบชาติก็มาเกิดชาติที่สิบเอ็ดก็เป็นเจ้าชายสิทธัตถะไม่นับสวรรค์นนะฮะไม่นับสวรรค์นเนี่ย แล้วทาไมมาเกิดเป็นเป็นเป็นเป็นผูริทัดได้ทําไมมาเกิดเป็นพระญานาคได้นั้นก็ก็อยู่ที่ภูมิจิตก่อนจิตจะดับก็ดับด้วยจิตอะไรก็ไม่รู้แหละแต่ว่าทําให้ภพมันต่ําไปทําให้ภพทําให้ผูกมันมั น, ม, นมันต่ําลงไปแล้วก็วางชาติก็ถูกทรมานเหลือเกินนะเช่นจันทกุมารเนี่ยก็ทรมานเหลือเกิด บางทังที่บางชาติเนี่ยมยิ่งใหญ่นะฮะเช่นมโหสถเนี่ยเขายิ่งใหญ่มากเลยเพราะเว้สันดรเนี่ยจะอยู่ป่าทางนานมโหสถจะยิ่งใหญ่มากเลยก็เป็นการจําแนกทางเรื่องอดีตกรรมแล้วทางเรื่องปัจจุบันทางเรื่องปัจจุบันในการใช้ชีวิตของของพระโพธิสัตว์ในแต่ละชาติเนี่ยตรงนี้เราเร า, เราเรเห็นในชาติว่ามันเป็นกระแสของกิเลสกับกระแสรกรรมบางพบบางชาติกระแสกิเลสต่ํา กระแสธรรมะสูงคือกุศ ล, ลธรรมก็มากจำแนกพบชาติประณีตขึ้นแต่บางช่วงกระแสของกิเลสมันสูงขึ้นกระแสธรรมะลดต่าลงไปทาให้กระแสกรรมเป็นอกุศลมากแล้วก็พบภูมิจิตก็แย่นะฮะพบพบก็ลดลงไปลดความประนีตลงไปก็เป็นตัวอย่างที่ สามารถจะทอนกลับไปที่ตัววิชาทั้งสามเราจะเห็นว่าทั้งหมดมันกระสืบเนื่องมาจากตัววิชาตัวนี้การที่พบประณีตนะฮะพบภูมิประณีตก็แสดงว่ากุศลกรรมสูงแสดงว่า อ, อาสวะลดใช่ไม่มอาสวะนี่มันลดลงไปการมาสวะภ ว, วะาสวะวิชาสาวะลดความรุนแรงลงไป ทำให้กุศ ล, ลกรรมมีกำลังครอบคุมจิตใจเราได้นะรักษาจิตใจเราได้แต่เราสังเกตว่าเวลาเรามีคุณธรรมหนักแน่นพอเราทําอะไรได้เยอะนะทําอะไรได้เยอะแต่บางทีกิเลสเข้ามาแทะเข้ามาตัดก็รักษาความดีเหล่านั้นไว้ไม่ได้ทําให้เห็นว่าชีวิตของเราวิถีชีวิตแต่มันจะไปไปสอดรับกับเรื่องเรื่องเรื่องวิชาทั้งสามที่พระเจ้าทรงแสดงไวเกี่ยวกับ พื้นฐานของกิเลสนับมาจากข้างล่างไง น, นะพื้นฐานของกิเลสอาสวะมากน้อยทําให้กรรมเนี่ยหยาบกลางประณีตไปตามแรงของของอาสวะแล้วก็ทําให้ภพชาติหยาบกลางประนีไ ต, ออตปนไปตามแรงของกรรมมันก็ต่อกันทั้งแถบนะฮะเพราะงั้นพอพูรู้ก็รู้หมดทั้งแถบพุทธเจ้าทันละตัวล่างได้นะฮะตัวบนก็ก็หมดตามไปด้วยเพราะว่าตัวบนนั้นมาจากตัวล่าง วันนี้ก็ขอยึติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญง้องามไปบุญในธรรมจงมีแต่ท่านสาุชนทั้งหลายโดยทุกกันทุกท่านคือ